เรื่องพระเจ้าพิพิสานจอมธรพมกตรัตครั้งนั้นพระเจ้าพิพิสานจอมธรพมกทรัฐทรงแวดล้อมด้วยพราหมณ์ข้าบดีชาวมคตสิบองนหุตเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรฝ่ายพราหมณ์ ram, ข้าบดีชาวมคตสิบสอนหุตเหล่านั้นบางพวกถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควร บางพวกก็ได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรบางพวกก็ประคองอัญเชีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับแล้วนั่งหน้าที่สมควรบางพวกก็ประกาศนามและโคดในสานักพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งหน้าที่สมควรขณะนั้นพราหมณ์ข้าบริชาวมคต12นหดเหล่านั้น ได้มีความคิดดังนี้ว่าพระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระอุรุเวลกรสปะหรือพระอุรุเวลกัสปะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระมหาสมณะหนอลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความระพึงในใจของพราหมณ์ฆาบดีชาวมคตสิบองนหุ่นเหล่านั้นด้วยพระไถยจึงตรัสเชื้อเชิญท่านพระอุรุเวลกรสปะด้วยคาถาว่าท่านอยู่อุรุเวลามานาน เคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชดินผู้้อมท่านเห็นอุบายอะไรจึงได้ละไฟเสียกัจปะเราถามข้อความนี้กับท่านชายท่านจึงละการบูชาไฟของท่านเสียเล่าพระรุเวละกัจสปะทูลตอบว่ายันทั้งหลายกล่าวสรรเสริญกรามทั้งหลายคือรูปเสียงรสและสตรีทั้งหลายข้าพระองค์ ได้รู้ในอุปธิว่านั่นเป็นมลทินเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ยินดีในการเส้นสวงไม่ได้ยินดีในการบูชากัตสปะใจของท่านไม่ยินดีในรูปเสียงและรสเหล่านั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นใจของท่านยินดีในสิ่งไร่เล่าในเทวโลกหรือมนุษย์โลกกัตสปะท่านจงบอกสิ่งนั้นแก่เราข้าพระองค์ได้เห็นบทอันสงบ ไม่มีอุปธิไม่มีกังวลไม่ค้องอยู่ในกามพบมีอันไม่แปรเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ธรรมที่ผู้อื่นจะพึงแนะให้ได้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงมิได้ยินดีในการเส้นสวงไม่ได้ยินดีในการบูชาข้อ56ลำดับนั้นท่านพระอุลุเวลาการสปะลุกขึ้นจากอาสนะ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 พระอุรุเวลกัสปะประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักพระมหาสมณะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความรำพึงในใจของพราหมณ์ข่าบดีชาวมคต12บนหุนเหล่านั้นด้วยพระไทยจึงได้ตรัสอนุปุพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถา 2. สศีลกถา 3. สักขกถา 4. กา ม, มาทีนวกถา 5. เนคคำมานิสังสกธาเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพวกเขามีจิตควรอ่อนปราศจากนิวร์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุทัยนิโรธมักทมจากสุอันปราศจากธุลีปราศจากมนถินได้เกิดแก่พรามข่าบริชามคศ11อนะห